วันนี้เป็นวันที่สองวันพุทธที่สองพุทธศักราช2554องหลวงตาของพวกเราได้ละสังขารเมื่อวันที่30เวลาตีสามห้าสิบสามนาทีวันนี้ก็นับจากวันนั้นมาก็เป็นวันที่สี่แล้ววันนี้งานของพวกเราทุกหน่วยทุกเหล่า ทั้งส่วนรัชการเข้ามาช่วยทั้งส่วนพ่อค้าประชาชนทั้งฝ่ายพระสงฆ์พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าหลวงพ่อเองในนามคณะสงฆ์มองดูแล้วก็ยังไม่เห็นที่ว่าจุดที่จะขาดตกบกพร่องน ะ, ะรู้สึกว่าทุกดวงใจที่เข้ามาร่วมงานรู้สึกว่าเต็มอกเต็มใจช่วยงานด้วยดี หลวงพ่อเองในนามคณะสงฆ์ก็ขอขอบบุญขอบคุณของพี่น้องลูกหลานก็ขอให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละแค่ๆว่าพวกเราให้ถอดใจออกมาจู่งานนี้ด้วยกันทั้งหมดเรื่องราวต่างๆเรื่องเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปอย่าอย่าอย่าไปสนใจสนใจคือเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบุญเรื่องกุศลเข้าสู่จิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับพวกเรา ขอให้พวกเรามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันช่วยกันทำงานคูบ า, เ, าเล็กคูบาน้อยคูบ า, าที่มาอยู่ในวัดของหลวงตาเนาเอะเดยวไปอยู่เด่นๆด้านๆ้า น, านอันไหนจะเป็นกุศลให้ช่วยกันทำพูกดูแลตรงเต้งนงานการงา น, งานอันไหนที่คูบาอาจารย์อยากจะให้ช่วยให้ทาให้ช่วยๆกันเนอพวกคูบาเล็กคูบาน้อยเนเอาสามัญเรนเนอให้ช่วยกัน คณะสัตยาญาติโยงกเหมือนกันสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ในงานของหลวงตาเก็บประยงเก็บขยะดูแลความสะอาดเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะอันนั้นคือลูกที่ดีนะลูกที่ดีแล้วต้องช่วยไม่ใช่ว่าเข้ามาโดและเด่นเดนด้านด้านหน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่หน้าที่อันนั้นไม่ได้บุญนะไม่ใช่ลูกที่ดีของหลวงตาอีกถ้าใครอยากเป็นลูกที่ดีของหลวงตาแล้วสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ อย่างน้อยก็ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูปัดกวดาดดูแลขยงขยยะให้ช่วยกันนี่แหละหลวงพ่อว่าจะเป็นบุญเป็นกุศลติดจิตติดใจของพวกเรานานเท่านานาต่อนนี้ไปให้หลวงพ่อคุณกู้เป็นผู้ให้พร น, น, นัตเนะีได้